การประชุมออนไลน์ครั้งที่14ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่10เรื่องเพศวิถีอัตลักษณ์ทางเพศและสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียแปซิฟิกโดยการประชุมออนไลน์ครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์ครั้งสุดท้ายของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่10หรือ APCRHHR 10 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่21่ธันวาคมพศสองพซึ่งประธานคือดรชิวอนวาผู้ก่อตั้งและ Executive Director ของ Reproductive Health Association of Cambodia หรือ RHA C ได้กล่าวว่าเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ เป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับประเทศต่างๆในการให้ความเคารพต่อความหลากหลายทางเพศและรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนส่งผลให้เพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศมีความสำคัญมากต่อการเข้าถึงอนามัยเจริญพันธุ์และการบริการทางสังคมอื่นๆ อ, อย่างเท่าเทียมกันอันเป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งที่จะทาให้เกิดหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้า ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่กล่าวว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเชเรพีเฮงโปรแกรมเมเนเจอร์ของเรนโบ้คอมมูนิตี้กัมพูชาประเทศกัมพูชานำเสนอว่าสิทธิโซจีนั้นเป็นสิทธิมนุษยชนปัญหาโซจีในประเทศกัมพูชานั้นประเด็นสำคัญได้แก่1การถูกปฏิเสธในครอบครัว โดย 81% ของกลุ่ม LGBT ที่มีอายุต่ำกว่า35ปีต้องเผชิญกับความรุนแรงทางอารมณ์และ 35% เคยคิดหรือพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน 2. ทางด้านสังคมได้แก่การโดนรังแกที่โรงเรียนและหญิงข้ามเพศต้องเผชิญกับการล่วงละเมิดในที่สาธารณะและในที่ทำงาน 3. ขาดความคุ้มครองทางกฎหมายเนื่องจากไม่มีกฎหมายที่ยอมรับเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศที่กําหนดขึ้นเองไม่มีกฎหมายความเท่าเทียมกันในการแต่งงานการปฏิเสธสิทธิการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเต็มรูปแบบสำหรับคู่รัก LGBT ไม่มีกฎหมายที่ต่อต้านการเลือกปฏิบัติโดยโซจีใช้ยุทธศาสตร์กลไกล U.P.R. หรือ Universal Periodic Review เพื่อเป็นสากลโดยสมาชิกของสหประชาชาติทุกประเทศได้มีการทบทวนการสนทนาแลกเปลี่ยนที่โปรง่งใสและเปิดเผยการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันซึ่งได้จัดทำขึ้นทุกๆ 4.5 ปีโดยรอบที่3นี้คือปีพศ2562 ถึง 2,566 จะมีการทบทวนด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเราเลือกใช้กลไกนี้เนื่องจากรัฐจะมีความเป็นเจ้าของมากขึ้นโดยความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นของรัฐและการแจ้งเตือนต่อเพื่อนร่วมงานและความร่วมมือของภาคประชาชนในการให้ความช่วยเหลือ กระบวนการคือปีพศ2560ถึง2561ได้เริ่มจัดตั้งและปรึกษากับสมาชิกเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจในแนวคิดหลักและหน้าที่ของกลไกและมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนและส่งรายงานร่วมกันกลางปีพศ2561ได้ปรึกษากับสมาชิก ในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและคำแนะนำปรึกษากับภาคประชาสังคมอื่นๆเพื่อส่งรายงานร่วมกันสิ้นปีพศ2561เริ่มทำการรณรงค์ในประเทศกัมพูชาและเมืองเจนีวามกราคมพศ2562รัฐได้ทำการตรวจสอบและยอมรับคำแนะนำสิทธิโซจี ต่อกฎการยูของประเทศกัมพูชาโดยรอบที่3ของประเทศกัมพูชาได้มีขึ้นในปีพศ2561ถึง2562โดยมี258ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโซโจีได้จัดทำขึ้นจากทั่วโลกโดย40ประเทศถึง26ประเทศ169ข้อเสนอแนะได้รับจาก73ประเทศสมาชิก ที่มีต่อประเทศกัมพูชาในประเด็นต่างๆโดย9ข้อเป็นสิทธิด้านโซจีโดยชัดเจน5ข้อเสนอแนะอยู่ในนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติและหรือกฎหมายเพื่อปกป้อง LGBTI 3ข้อเสนอแนะคือการแก้ไขมาตรการ45ของรัฐธรรมนูญเพื่ออนุญาตให้มีการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน และหนึ่งข้อเสนอแนะสำหรับกฎหมายระบุเพศคำประกาศของรัฐบาลกัมพูชาในรอบที่3นี้ได้จัดทำขึ้นที่สภาสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่30มกราคมพศสองพโดยได้ประกาศว่ารัฐบาลต้องเป็นผู้นำในการส่งเสริมสิทธิของกลุ่ม LGBT และขะจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อคนกลุ่มนี้ในประเทศกัมพูชาอย่างไรก็ตามในการแก้ไขกฎหมายแพ่งเพื่อให้การปฏิบัติ ด, ดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการรณรงค์ให้เกิดการตระหนักของสาธารณาชนมากขึ้นเพื่อให้สังคมและชุมชนยอมรับมากขึ้นจะทําให้การต่อต้านทางวัฒนธรรมน้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อการแก้ไขกฎหมายบทเรียนที่ได้รับกระบวนการให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความต้องการความสำคัญของกลไก UPR ต่อ LGBT ชุมชนและรัฐบาลบทบาทขององค์กรเครือข่ายในท้องถิ่นภูมิภาคและระหว่างประเทศอันได้แก่การอำนวยความสะดวกการประสานงานและความช่วยเหลือ ความถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการดำเนินการการสนับสนุนในระดับท้องถิน่นและระดับชาติอย่างต่อเนื่องชีพาสารีพาบาวันตีผู้อำนวยการซิ g r a สอินโดนีเชียได้นำเสนอเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศเพศวิถีความเสี่ยงทางเพศและพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของลูกค้าในกลุ่มพนัก ง, งานบริการข้ามเพศ จากเมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวัตถุประสงค์คือการศึกษานี้ได้ตรวจสอบส่วนประกอบของอัตลักษณ์ทางเพศเพศวิถีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการป้องกันของลูกค้าของพนัก ง, งานบริการข้ามเพศในเมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจใช้ถุงยางอนามัยระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่ของ h i ชวโดยการศึกษานี้มุ่งตอบคำถามว่า 1. ใครคือลูกค้าของพนัก ง, งานบริการข้ามเพศ 2. พวกเขาเรียนรู้พฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่ 3. พวกเขาเรียนรู้พฤติกรรมการป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ระเบียบการวิจัย ลูกค้าของพนัก ง, งานบริการข้ามเพศจำนวน250คนได้รับเลือกและสัมภาษณ์โดยหญิงข้ามเพศจากองค์กรวาเรียโดยใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างทันทีหลังจากได้รับบริการทางเพศจากพนัก ง, งานบริการข้ามเพศ การร่วมมือกับองค์กรวาเรียในเมืองจาการตาเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ขายบริการทางเพศและติดต่อผู้ประสานงานภาคสนามหรือมามีใน5้าเขตเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอให้ผู้สัมภาษณ์ได้ติดต่อกับพนัก ง, งานบริการข้ามเพศในการเป็นผู้ติดต่อหลักเพื่อเข้าถึงลูกค้าซึ่งลูกค้าถูกสัมภาษณ์ที่ทางรถไฟในเมืองจาการตาตะวันออก ข้อค้นพบได้แก่อายุเฉลี่ยของลูกค้าคือ27ปีโดยมากกว่า 50% เรียนจบมัธยมปลายขึ้นไปซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่แต่งงานแล้วแต่มีเพียง 11% เท่านั้นที่อาศัยอยู่กับภรรยาหรือคู่นอนที่เป็นผู้หญิงการมีเพศสัมพันธ์ทางปากและการสอดใส่ทางทวารหนนะัก เป็นพฤติกรรมทางเพศที่แพร่หลายมากที่สุดกับพนัก ง, งานบริการข้ามเพศโดย57เปอร์เซ็นต์มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแบบสอดใส่แต่95เปดูเหมือนจะชอบการมีเพศสัมพันธ์ทางปากจากพนัก ง, งานบริการข้ามเพศมากกว่า 80% เซของลูกค้าที่เข้ารับบริการมากกว่าหนึ่งครั้งนั้นจะมีการใช้ถุงยางอนามัย แต่มีเพียง 50% เอร์เซน์เท่านั้นที่ใช้ถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยลูกค้าประมาณ 50% ปอร์เซอธิบายว่าตนเองเป็นคนรักต่างเพศและที่เหลือส่วนใหญ่อธิบายว่าตนเองเป็น b บ s ซ x u a l โดยรวมแล้วลูกค้ารู้สึกว่าผู้หญิงมีความดึงดูดทางเพศมากที่สุดเพิอฝันเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงมากที่สุดและรู้สึกว่า เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและ 92% เปอร์เซนของผู้เข้าร่วมกล่าวว่าพวกเขาไม่มีลักษณะที่เป็นผู้หญิงเลยการอภิปายผลลูกค้าเป็นแรงงานอพยพอายุน้อยที่มีวุฒิการศึกษาปานกลางและแยกกันอยู่กับภรรยาพวกเขาอธิบายว่าตัวเองเป็นคนรักต่างเพศและคนอื่นๆส่วนใหญ่อธิบายว่าตัวเองเป็นบเซชว โดยรวมแล้วลูกค้ารู้สึกว่าผู้หญิงมีความดึงดูดทางเพศมากที่สุดและยังเพอ้อฝันเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงพวกเขารู้สึกเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงการมีเพศสัมพันธ์ทางปากและทางทวารหนักแบบสอดใส่เป็นพฤติกรรมทางเพศที่แพร่หลายมากที่สุดกับพนัก ง, งานบริการข้ามเพศการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า พวกเขามีคู่นอนหลายคนในช่วงเวลาหนึ่งแต่พวกเขาไม่ได้เรียนรู้ว่าควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์กับพนัก ง, งานบริการข้ามเพศเป็นการทดแทนการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเสียงจากคนแถวหน้าโดยรัชนะาคาร์าลีนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิและผู้หญิงข้ามเพศคนแรกในเนปาล ที่ขอยื่นกฎหมายในฐานะผู้หญิงได้กล่าวว่ามีการรายงานและเผยแพร่อย่างกว้างขวางผ่านสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายแห่งว่าเนปาลเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับ LGBT queer หลายคนเชื่อว่า ในเนปาลได้รับสิทธิตามกฎหมายทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะได้ยินประเทศเนปาลอ้างถึงสัญญาณเตือนสําหรับ LGBT หรือเนปาลมีกฎหมายที่ก้าวหน้าที่สุดเกี่ยวกับสิทธิ LGBT โดยเป็นที่เชื่อกันว่าประเทศเนปาลมีความก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องสิทธิของคนข้ามเพศ ซึ่งทั้งหมดนี้กับล้มเหลวถ้าหากพิจารณาถึงระดับลากยาและปัญหาที่แท้จริงที่ประชากรเหล่านี้ต้องเผชิญคนข้ามเพศไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายเหมือนเพื่อนร่วมงานของพวกเขาตัวฉันเองกำลังต่อสู้เพื่อขอเลขทะเบียนที่มหาวิทยาลัยที่พูวานซึ่งปฏิเสธการลงทะเบียนของฉัน เนื่องจากใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนไม่สอดคล้องกับเพศวิถีของฉันและทางสถาบันที่ออกใบรับรองเหล่านั้นได้ปฏิเสธที่จะแก้ไขให้ฉันปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับประเทศเนปาลคือ รัฐคิดว่า5กลุ่มของ LGBTI เป็นกลุ่มย่อยของเพศที่3ดังนั้นจึงทำให้เข้าใจผิดพลาดในเรื่องเพศวิถีอัตลักษณ์ทางเพศและลักษณะทางเพศโดยสิ้นเชิงการบังคับให้ชายและหญิงข้ามเพศเป็นเพศที่3ไม่ใช่การกําหนดสิทธิของเราแต่เป็นการก่อให้เกิดการระเมิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นจุดยืน ไตติยาบาดีได้กระตุ้นเตือนและเผยแพร่ความกลัวที่เกิดจากความหวาดกลัวภายในและภายนอกชุมชนเพศที่สในเนปาลโดยกำหนดว่าสิ่งใดก็ตามที่นอกเหนือจากอัตลักษณ์ทางเพศของชาวฮินดูนั้นเป็นภัยคุกคามต่อชุมชนฉันในนามของ Queer Youth Group และผู้สนับสนุนทุกคนขอเรียกร้องให้รัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศหน่วยงานของสหประชาชาติเครือข่ายระดับภูมิภาคภาคีการพัฒนาหน่วยงานจัดหาทุนและอื่นๆ แก้ไขปัญหาการยอมรับเรื่องเพศในประเทศเนปาลเพื่อให้คนข้ามเพศและคนนอนไบนา ري สามารถแก้ไขความเป็นพ ล, ลเมืองและรับรองอัตลักษณ์ทางเพศที่ตนเองต้องการและสามารถมีชื่อที่ต้องการได้โดยไม่ต้องโดนตีตาว่าเป็นเพศที่สเพื่อที่เราจะได้ยุติความเข้าใจผิดนี้ว่า LGBTI เป็นเพศที่สาม บทสรุปการประชุมเอเชียแปซิฟิกคอนเฟอเรนซ์ออนรี roductive and sexual health and rights ครั้งที่10หรือ APCRHR 1 0โดยหลังจากวิทยากรทุกท่านได้นำเสนอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ซักถามข้อคิดเห็นจากนั้นประธานได้กล่าวปิดการประชุมพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ผู้จัดงานผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมการประชุมอีกทั้งยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าการประชุม Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights ครั้งที่11หรือ a p c HH r HHR Eleven จะมีขึ้นในปีพศสองพที่จะถึงนี้อีกด้วยวารุณีขัดเตมี รายงาน